พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ย2สบสองสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายจักการนิบาทชุมนุมธรรมะ6ข้อทุติยปัญ น, นาฏหมวดห้าสิบที่สองวรกที่หนึ่งมหาวรว่าด้วยเรื่องใหญ่ตรัสสอนพระโสนะผู้ทำความเพียรมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้ตรัสรู้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 คือเนคขมมะการออกจากกามปวิเวก ค, ความสงัดอพยาปั ช, ชะความไม่เบียดเบียนตันหักขยะความสิ้นไปแห่งตันหาอุปทานัคขยะความสิ้นไปแห่งอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นอสามโมหะความไม่หลง พระพักคุณะอาพาธหนักพระอนนท์ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคขอให้เสด็จไปเยี่ยมพระองค์เสด็จไปแสดงธรรมโปรดเมื่อเสด็จกลับไม่นานพระพักคุณะก็ถึงมรณภาพเมื่อพระอนนท์ไปกราบทูลจึงตรัสว่าจิตของพระพักคุณะภายหลังฟังธรรมได้หลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการคือเป็นพระอนาคามี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 หลุดพ้นในธรรมะเป็นที่สิ้นกิเลสอย่างยอดเยี่ยมตรัสแสดงอภิชาตหกประการเปรียบเทียบกับข้อปฏิบัติของปุรณกัสสปปคือหนึ่งคนมีอภิชาติดำทําให้เกิดธรรมะอันดำได้แก่ผู้เกิดในตระกูลต่ําแล้วประพฤติทุจริต 2. คนมีอภิชาติดำทําให้เกิดธรรมะอันขาว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 ตรัสแสดงคุณธรรมของภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกว่าละอาสวะได้หกอย่างมีลั์ด้วยการสํารวมเป็นต้นตรัสถึงภิกษุหกประเภทคืออยู่ป่าอยู่ท้ายบ้านถือบินทบาตรับนิมนต์ส่งผ้าบางสุกุลสรงครหบดีจีวรคือผ้าที่คัรหบดีถวายซึ่งมีทั้งชั่วทั้งดี พระจิตตหัตถิสารีบุตรพูดแทรกขึ้นในเมื่อพระเทระทั้งหลายกำลังกล่าวอภิธรรมกถฐากันอยู่พระมหากดิตะจึงห้ามปรามภิกษุที่เป็นมิสหายของผู้พูดแทรกจึงเตือนว่าพระจิตตหัตถิสาริบุตรเป็นผู้ฉลาดอาจจะพูดอภิธรรมกับพระเทระทั้งหลายได้พระมหากดิตะกล่าวว่า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 ในไม่ช้าจิตตหัตถิสาริบุตรก็บวชอีกและได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์พระเทระหลายรูปสนทนากันถึงปัญหาว่าอะไรเป็นส่วนสุดสองฝ่ายอะไรเป็น่าำกลางอะไรเป็นเรื่องเย็บให้ติดกันต่างแสดงความเห็นชี้ไปที่พัสดะความเกิดขึ้นแห่งพัสดะว่าเป็นส่วนสุดสองฝ่าย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 เวทนาความรู้สึกอารมณ์เป็นสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกขสัญญาความจำได้หมายรู้อาสวะกิเลส ท, ที่ดองสันดานกรรมคือการกระทาทุกขหมายเอาทั้งทุกประจําและทุกจรตรัสแสดงกําลังของพระตถาคตหประการคือหนึ่งทรงรู้ฐานะและอาฐานะ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 ห้าส่งได้ทิพยจักสุปหกส่งทาให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะกำลังทั้งหกข้อของพระตถาคตเหล่านี้ทำให้ทรงปฏิญญาความเป็นหัวหน้าบันือสีหนาตหมุนธรรมจักคือล้อธรรมะอันประเสรศิฐสำหรับคำว่าเป็นหัวหน้าในที่นี้ใช้คำว่าอาสพันฐานะฐานะแห่งโภุสภะ หรือโคผู้นำฝูงวักที่สองชื่อเทวตาวักว่าด้วยเทวดาตรัสว่าผู้ละธรรมะหกอย่างไม่ได้ไม่กวนทำให้แจ้งอนาคามิผลคือความไม่มีศรัทธาเชื่อสิ่งที่กวรเชื่อความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวต่อ บ, บาป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 ไม่ดาเนินการด้วยการกระทําอันติดต่อส่วนฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะหกอย่างจะบรรลุความยิ่งใหญ่ไพบูรในธรรมะทั้งหลายไม่นานคือมากด้วยแสงสว่างคือความรู้หรือญาณมากด้วยความเพียรคือโยคะมากด้วยความรู้สึกคือเวทะ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 จึงขึ้นสวรรค์เหมือนนำไปวางไว้คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดมีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดอีกในหนึ่งคือพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอ้อเจอ้อโลกขนองตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะหกอย่างไม่ควรทำให้แจ้งความเป็นพระอรหันต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 คือปรารถนามากทุกร้อนเพราะความปรารถนามากนั้นไม่สันโดษด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ไม่มีศรัทธาทุกศีลเกียรคร้านหลงลืมสติมีปัญญาสามฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามวัคที่สี่ชื่อสีติวัค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 คือผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิย่อมไม่อยู่อย่างขาดความเคารพในพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาไม่ควรก้าวล่วงอคัมณียวัตถุคือสิ่งที่ไม่ควรถึงอธิคถาแก้วว่าทิฏฐิ62สองไม่ควรยังพบที่แดให้เกิดขึ้นคือไม่เกิดอีกเป็นครั้งที่8ตรัสแสดงอภพฐานะอประการ คือผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิไม่สมควรเห็นว่าสังขารใดๆเที่ยงเป็นสุขธรรมะใดๆเป็นอัตตาตัวตนไม่ควรทำอนันตริยกรรมไม่ควรถือมงคลตื่นข่าวไม่ควรสแสวงหาทักิณเนยะบุคคลนอกพระพุทธศาสนาอีกในหนึ่งคือไม่ควรทำอนันตริยกรรมห้าอย่างและถือศาสดาอื่นอีกในหนึ่ง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 ไม่งโงเง่าหรือเป็นใบมีความพอใจในกุศ ล, ลธรรมตรัสแสดงอนิสงส์หกประการในการทำให้แจ้งโสดาปติผลคือเที่ยงในพระสัทวธรรมมีธรรมะอันไม่เสื่อมเมื่อทาที่สุดทุกได้ก็ไม่ทุกข้อนี้น่าจะหมายความว่าทุกชนิดไหนละได้แล้วก็จะไม่เกิดอีกประการต่อไปคือ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 ตรัสว่าควรละพบสามคือกามาพบรูปพบอรูปพบควรเจริญสิกขาสามคืออธิศิลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาตรัสว่าควรละตันหาสามคือกามตันหาพวตันหาและวิพวตันหาควรละมานะสาม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 รัดว่าตับุสะข้าวรหาบดีแปลว่าผู้ถวายข้าวสัตตุก้อนและสัตตุคงรวมทั้งข้าวรหาบดีอื่นๆเช่นพัลิกะสุทธะและอนาถบินทิกะที่แปลว่าผู้ให้ก้อนข้าวแก่คนยากเป็นต้นประกอบด้วยธรรมะหกอย่างจึงเป็นผู้ถึงความตกลงใจในพระตถาคตเห็นอมตะทาให้แจ้งอมตะ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 จบพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่22อังคุตรนิกายปัญจกะชักกะนิบาทว่าด้วยชุมนุมธรรมะจำนวน5้าและจำนวนห